ข้าพเจ้าไม่ได้แต่ต้องอาหารถึงสี่วันเต็มๆรู้สึกอ่อนระห่วยเลยแล้วหน้ามืดตาลายแทบจะสิ้นชีพตามปัตมาวดีไปตอมาวันที่ห้าข้าพเจ้าจึงยอมบริโภคอาหารแต่ก็บริโภคด้วยความยากลําบากท่านนถือว่ายากลำบากแหละเพราะอาหารแต่ละคําผ่านลําคอลงไปอย่างยากเย็บประดุดก้อนโลหะที่มีน้ําแหลมคมโดยรอบ ในที่สุดท่านก็ บ, บริโภคอาหารด้วยความจำใจแท้แท้เพราะเห็นแกบิดามารดาความทุกข์ของข้าพเจ้าไม่ได้จํากัดขอบเขตอยู่เฉพาะข้าพเจ้าแต่ขยายไปครอบงาบิดามารดาญาติพี่น้องนิสหายตลอดถึงนข้าทาสบริวารด้วยทุกคนต่างเป็นทุกข์เป็นร้อนกระวนกระวายใจไปกับข้าพเจ้าแค่ไปเป็นอันกินนันนอนไม่เป็นอันทํางาน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 พามปุรโรหิตประจําตะกูลผู้กระทาพิธีแต่งงานให้ข้าพเจ้านั่นเองท่านปุรโรหิตเป็นผู้เชื่อมั่นในรัฐทิสางขยับเป็นสานุสิทธิ์ของศาสดาก็มีท่านได้พร่ำสอนข้าพเจ้าวา่า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 เนี่ยคือสัจธรรมประการที่หนึ่งสัจธรรมประการที่สองล่ะท่านปุโรหิตสัจธรรมประการที่สองก็คือประจิตได้แก่สัปปรพสิ่งที่เข้ามาประสมครุกคร้ากับอาตามันทำให้อาตามันเสียคุณภาพต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกระทั่งดำและผลของดำ เมื่อปรกิจเข้าประกมก็อาตมันแล้วตัดละเจตประการก็เกิดขึ้นตัดละเจประการมีอะไรตัดละเจตประการไม่พุทธิหรือปัญญาหนึ่งอาหารการความเข้าใจว่าเป็นเราหนึ่งและตันมาตอีกห้าประการตันมาตห้าประกา ร, าก ร, การได้แก่อะไร อันมาทาประการได้แก่ทาตละเอียดของเสียงสัมผัสรูรสและกลิ่นตัวสำคัญที่จุดก็คืออหังการคือความเข้าใจว่าตนเป็นตนต่างกว่าบุคคลอื่นความเข้าใจาอันนี้เป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกและทำให้เกิดความทุกข์ฉะนั้น ขอให้เจ้าจงพิจารณาให้เห็นว่าอันสังขารร่างกายของเรานี้เป็นตัวนหนึ่งของปารกิซึ่งทำให้อัตมันทายในเศร้าหมองเป็นสิ่งทึ่เราไม่ควรจะหลงดิกถือว่าเป็นตัวเราถ้าเราหลงดึกถือก็จะเกิดทุกข์แม้สังขารร่างกายของคนอื่นก็เป็นเพียงปารกิเช่นเดียว ถ้าเราหลงไปยึดถือก็จะเป็นเหตุให้เกิดมหันต์ตกทุกการที่เจ้าประสบทุกข์อยู่ในเวลานี้เาะอะไรเจ้ารู้ไหมข้าประเจ้าไม่ทราบท่านปุโรหิตช่วยชี้แจงให้ด้วยการที่เจ้าประสบทุกข์อยู่ในเวลานี้ก็เพราะเจ้าไปหลงยึดถือในสังขารท่านใดของปัตมาวันดี เมื่อรานั้นดับดิ้นเส้นลงเพราะมรณะเจ้าจึงได้รับทุกข์ทางที่ดีแล้วเจ้าจงคิดซะใหม่จะให้ข้าพเจ้าคิดไปายัางไงท่านพระอภิษฎปัตตมา ว, วดีถึงแม้จะตายไปแล้วแต่อาตามันของเธอยังอยูย่เพราะอาตามันเป็นอมตะภาพที่มีอยู่ชั่วนิรันดร์อาตามันของเจ้า ก็ยังคงอยู่ชั่วนิรันดรตามความจริงแล้วไม่มีอาตมันของเจ้าไม่มีอาตมันของปัทมาวดัดีไม่มีอาตมันของเราแล้วถ้าเช่นนั้นมีอาตมันของใครล่ะท่านปุโรหิตมีแต่อาตมันสาคนลอันเดียวซึ่งมีอยู่ชั่วนิรันดรนเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นสิ่งไร้ความหมายสำหรับอาตมัน ในวาระสุดท้ายของเจ้าปัตถมาวดีและมนุษย์ทุกคนจะกลับขื้นไปสู่อาตมันอันยิ่งใหญ่อีกขอให้เจ้าจงพยายามพิจารณาถ้าเจ้าพบความจริงข้อนี้แล้วเจ้าก็จะสบายใจข้าพเจ้าไม่มีกะิกกระใยที่จะเพ่งพิจารณาอะไรท่งองนี้เนกหมอกเห็นความทุกข์ได้ปิด บ, งบังดวงปัญญาของข้าพเจ้าไว้อย่างสิ่นเชิ ข้าพเจ้าไม่สามารถพิจารณาอะไรที่ลึกซึ้งได้ท่านอาจารย์จะมีวิธีใดบ้างปะที่จะสามารถบังเทาทุกข์ของข้าพเจ้าโดยไม่ต้องใช้ความคิดมากนะักไม่มีท่านอาจารย์ไม่ใช่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วขุมาทําไมหลักท่านอาจารย์ ความทุกข์ของเจ้าเป็นเรื่องใหญ่มากยากที่จะบันเทาได้โดยสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากปัญญาแต่ว่ามันยากนะท่านอาจารย์ถึงแม้ว่าการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากก็ควรจะพยายามทำถ้าต้องการระงับทุกข์ข้าพเจ้าทราบดีว่าทุกข์ของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่และเหตุที่ทุกข์ยิ่งใหญ่นี้เอง ข้าพเจ้าถึงต้องบรรเทาด้วยวิธีง่ายๆและฉับพลันไม่ต้องการวิธียักยากและใช้เวลานานถ้าจะเปรียบอาหารที่ข้าพเจ้าขณะนี้ก็ เ, เหมือนกับบุรุษผู้กําลังหิวจัดนอนหายใจแผ่วๆอยู่ด้วยความอ่อนเพลียสิ่งที่เขาต้องการอย่างฉับพลันก็คืออาหารสาเร็จรูปซึ่งสามารถบริโภคได้ทันทีถ้าหญิงนี้คนต้อนอก็ยิ่งเป็นการดีการที่จะแนะนําให้เขาไปปรึกษาเรื่องโภชนาอาหารอย่างละเอียดและให้เขาไปประกอบอาหารบริโภคเอง น, น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 สาวกแห่งศาสดาปีละทําความผิดวังให้กับปิดาข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงท่านข้ามาสอบถามข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าท่านปุโรหิตอาจารณ์แนะนําสั่งสอนอย่างไรบักข้าพเจ้าก็เล่าให้ท่านฟังท่านฟังแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาภายในห้องด้วยจิตใจอันกระวนกระวายถอนใจอย่างหนักหน่วงเป็นครั้งคราวครู่ใหญ่ ถึได้มันนั่งลงข้างๆครับเจ้ า, า, าลูกเอ้ยเรื่องนี้ได้ยาวิตกไปเลย พ่อมีช่องทางที่จะช่วยเจ้าให้พ้นจากห่วงทุกข์ให้ได้พ่อมีทางใดที่จะช่วยข้าพเจ้าพ่อรู้จักกับโยคีผู้เคร่งในศรีนคนหนึ่งมาบำเพ็ญญาหยุดอาสมริมฝั่งแม่น้ำจำปาพอจะส่งคนของพ่อวันิมนทันมาเทศนาให้เจ้าฟัง เนท่านบิดาเรวยการนิ่งด้วยใจจริงแล้วข้าพระเจ้าไม่ได้หวังในโยคียนี้มากนะักเพราะอะไรเหรอนละพลข้าพระเจ้าเคยทราบมาบ้างว่าโยคียทั้งหลายเป็นผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติโยคเพื่อปลดปล่อยชีวาดมันหรืออาตามันของแต่ละคนให้เป็นอิสระจากมนลิ น, นและเข้ารวมกับวิญญาณสากนที่เรียกว่าปารมาตามแม้จะไม่ทราบละเอียดนะ แต่ก็คิดว่าคงไม่แตกต่างกับทัศนะของท่านปุโรหิตเล่าต่อไปเถอะจุลพลใหม่ที่สุดโยคีผู้มีนามว่าเทเวทนทร์ก็เดินถือไม้เท้าเข้ามาในห้องลักษณะหน้าตาของท่านดูน่ากลัวกว่าหน้าเคารพผูชาทำไมจึงว่าน่ากลัวละ่ะท่านม้วนผมเป็นกระเซิงไว้ข้างบนเนือครารุ่มร่ามชายขี้เท้าทาตามตัวเสื้อผ้าขาดกรุะริ่ง มือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายถือหม้อน้ำทองเหลืองร่างผอมแก้มปอบดวงตาขมกึดคล้ายตาห ย, ยวเพอเข้ามาในห้องท่านก็เริ่มสวดมนต์เริ่มต้นด้วยคมว่าโอมทันทีคล้ายๆกับจะขับไล่ผู้ผีปีศาจไปจากห้องและตัวทเข้าไปจกัก การความทุกข์ในโลกนี้มีสามประการมีอะไรบ้างเหรอโยคาจันทุกสามประการที่ว่านั้นมีอัธยาตมิทุกทุกเกิดจากเหตุภัยในกายใจของตนหนึ่งอธิภผาติกระทุกทุกเกิดจากเหตุภายน อ, อกหนึ่งอาทิไทยวิกรทุก ทุกอันเกิดจากเหตุเบื่องบนเช่นอำนาจของดาวประเกะเป็นต้นสำหรับทุกข์ของเจ้าเวลานี้พอจะจัดได้ว่าเป็นทุกข์ประการที่สองอาทิภาวะิดทุกข์ใช่ไหกแล้วเจ้าทุกข์เพราะเกิดจากมรณกรรมของมาลยาแล้วเราจะพ้นทุกข์นี้ได้ไหม ได้ทำยังไงโยค่าจารย์การที่จะพ้นทุกข์ระการ น, นี้ได้โบราณอาจารย์แนะนำให้กระทําใจให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติตามหลักโยคะแปดประการอะไรบ้างโยค่าจารย์แปดประการ น, นั้นก็คือยมะสํารวมความประพฤติหนึ่ง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 การทําใจให้มันคงหนึ่งทายาทนะการเพ่งหนึ่งสมาธิการทําใจิตใจให้ตั้งมันหนึ่งข้าแต่ผู้ทรงพระท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเวลานี้ท่าพระเจ้ากําลังลอยคออยู่ในทะเลแห่งความทุกข์จะจงน้ำตายอยู่แหละท่านจะกรุณายื่นมือของท่านมาให้ท่าพระเจ้าจับแล้วจุดข้านพระเจ้าขึ้นจากพ่วงทุกทันทีไม่ได้หรอก คำแนะนำมันยืดยาวตามหลักโยคะของท่านนั้นเปรียบเสมือนแง่ให้คนที่กาลังจะจมน้ำตายไปตัดต้นไม้ลงทากไม้ต่อเรือมาช่วยตัวเองข้าประจําไม่สามารถปฏิบัติตามได้โอ้ม อ, ม อ, ม อ, มอมรู้ก่อนกูมารเจ้าอย่าลืมว่าเวลานี้เจ้าเปรียบเสมือนคนป่วยหนักนอนแซวอยู่บนธรณีแห่งความตาย บิดาของเจ้าได้ไปตามหมอผู้เชี่ยวชาญในเยชุระเวมาทำการเยียวยาบัดนี้หมอมาถึงแล้วพร้อมโดยรวมยากำลังยืนยาคือโยขะขนานดฉัน้นให้เจ้าบริโภคฉันไหนเจ้าจึงปฏิเสธซะละข้าพเจ้าไม่สามารถบริโภคยาของท่านได้ทำไมยาของท่านมีถึงสิบสองขนาด สิองขนานแล้วเป็นอย่างไรต้องใช้กําลังมากต้องใช้ความพยายามในการบริโภคนักหนามากนัะข้าพเจ้าอยู่ในอาการเพียบแรปรปับจากทั้งกําลังกายและกําลังใจที่จะบริโภคของท่านท่านไม่มีวิธีการอื่นใดอีกแล้วแหละที่จะบรรเทาทุกข์แกข้าพเจ้าโดยไม่ปฏิบัติตามหลักโยคะทั้งสิบสองประการ น, าน่ะไม่มีเมื่อทําไม่ได้ เราก็ไปละ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 ข้าเจ้ากำลังเศร้าโศกเพราะสูญเสียพันยาสุดที่รักบิดาจึงจัดหาหญิงสาวสวยพอๆกันมาให้เพื่อบำเรอาข้าพเจ้าเป็นการตอบแทนแต่ยังไงต่อไปจุลพลหยิงสาวแปลกหน้าผู้รับภาษาบาบันเทาทุกแกข้าพเจ้าขายับตัวเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าซึ่งนั่งก้มหน้านิ่งอยู่ไม่แสดงอาการสนใจใดีแม้แต่น้อยแล้วนางก็พูดด้วยเสียงเงอะไหรอ อย่าเฝ้าโศกไปเลยไม่มีประโยชน์หรอกความตายการสูญเสียการพัดคลาดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เป็นสิ่งที่แย่แท้ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนบัดนี้พรรยาท่านได้ตายไปแล้วและไม่มีวันจะกลับคืนมาแม้ท่านจะร้องไห้จนน้ําตากลายเป็นสายเลือดก็ไม่มีประโยชน์แม้ข้าพระเจ้าเองและท่านเองก็เถอะก็ต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าวางทีอาจจะเป็นวันรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้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 เธอร้องเพลงพื้นเมืองมีเนื้อความไพเราะบุกเสียงระคังเงินเธอร้องเพลงปรานาความงามของป่าเขาลาําดับไตความสุขของชาวอังค่ะในอดีตกาลความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวความสุขอันเป็นทิพนิกายในสวรรค์และความไม่ที่งแพ้แน่นอนของชีวิตแม้ข้าพเจ้าจะอยู่ในห้วงมหันตะตะกุกก็ต้องยอมรับว่า หญิงสาวร้องเพลงได้ดีเยี่ยมดุดนักร้องประจําสํานักที่เดียวท่านชอบเพลงข้าพเจ้าร้องไหมคงไม่ชอบสินะถึงได้นงียเงียบไม่ตอบไม่เป็นไรบางทีท่านอาจชอบการฟ้อนรำก็ได้ข้าพเจ้าจะไล่รําให้ท่านชมเธอลุกขึ้นเดินไปกลางห้องแล้วเริ่มไล่าราในจังหวะและท่วงทำนองต่างๆด้วยท่วงทีลีลาชานชดานดุดหญิงนักฟ้อนรําประจําเทพสถาน ข้าพเจ้ามองดูได้ดวงตาเพีงขึ้นเดียบแล้วก็กล้องหน้าหนงไม่ได้รับความบันเทิงเริงใจแม้แต่น้อยทั้งที่ก่อนหน้ข้าพเจ้าชอบการร่ายรำเป็นชีวิตจิตใจทําให้ได้คอคิดขึ้นมาอย่างนึ่งถ้าติดใจไม่เปิดประตูรับัสอย่างอารมณ์ภายนอกแม้จะเลวร้ายสักเพียงใดก็ไม่มีความหมายความตายของปัตมามวติกระทบกระเทือนจิตใจยอย่างรุนแรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความตายเสียงเพลงอันภทยรักของหญิงสาวคือเสียงแห่งความตายตัวหญิงสาวเองก็เป็นทูตแห่งความตายมาหลอกหลอนเระเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ยินดีในที่สุดหญิงสาวผู้โสภาก็จําต้องจากไปได้วยความล้มเหลวเช่นเดียวกับปลายกรงก์ ถึงขงนาดบิดาของข้าพเจ้าก็ม่ละความพยายามที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นถุกวันต่อมาท่านได้พานักบวชแก่คนหนึ่งชื่อคิบตะทุลีเข้ามาหาข้าพเจ้าในห้องมาถึงก็นั่งสาธุยายเวทเป็นภาษาสันสกฤตยาวเหยียดฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็พอจะสรุปใจความว่าท่านสวดมนต์สรรเสริญองค์พรหมผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและมนุษย์ และลิขิต ช, ชีวิตมนุษ์และสัตทั้งปวคุณแม่กเกลีพอย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 เออจรแน่นอนพระองค์ทรงสรางมนุษทุกคนขึ้นมาและทรงลิขิตชีวิตมนุษย์ทุกคนไว้ล่วงหนา้าจะให้ดีชั่วสุขทุกจะเอื่อเสื่องใหญ่ใหตอนใดระยะใดของชีวิตลิขิตของพระองค์เป็นสิ่งตายตัวแน่นอนไม่มีสิ่งใดจะฝ่าฝืน แกไขได้ต้องกลมาหารับลิขิตของพระองค์จนกว่าจะพ้นกำหนดการที่เจ้ากำลังประสบทุกข์ดูในขณะดเะะะีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรท่านนักบวญเพราะเป็นตอนที่พระองค์กำหนดให้เจ้ามีความทุกข์การที่ปฐมาวดลตาย ก็เพราะพระองคิริไตไทยตายแล้วมีทางใดที่จะกะจัดทุกนี้ได้ออไม่มีทางใดที่เจ้าจะกะจะัดทุกนี้ได้เลยนอกจากจะคุมน่ะรับลิษิทัยไนกว่าจะหมดกำหนดเขตเมื่อพ้นกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะยุติลงโดยที่เจ้าไม่ต้องทาอะไรขอให้อดทน กว่าจะหมดกันหนดวิถนั้นท่านผู้สงเวทข้าพระเจ้าจำท่านพูดตอนนี้ได้ให้มีความสนใจเป็นอย่างมากแก่จำคำพูดตอนไหนได้ตอนที่ว่าพระพรมผู้เป็นเจ้าทรงมีเมตตาต่อสัตว์โดยทั่วนาดุดมานดากรุณาต่อบุตรน้อยของตอนท่านพูดอย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วคุณบาน เพื่อความเมตตากรุณาของพระองค์นี่แหละพระองค์จึงทรงสร้างเราขึ้นมาและทรงให้การบำรุงรักษาเราเง็นอย่างดีข้าพเจ้าเชื่อว่าพระพรมผู้เป็นเจ้าท่านมีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์จริงแต่ว่าเธอมีอะไรสงสัยนะข้าพเจ้าใครจะขอถามท่มานว่าสมมุติว่าท่านอยู่ในฐานะเป็นบิดาแล้วมีบุตรอยู่ในครอบครัวสิบคน ท่านจะรักบุตรทั้งสิบคนและให้การอุปถัมภ์บำรุงแก่เขาทั้งสิบคนเสมอหน้ากันหรือไม่บิดาที่ดีจะตกให้ความรักและอุปถัมภ์บำรุงแก่ บ, บุตรทุกคนทุกวาลากันก็เมื่อพระพรผู้เป็นเจ้าอยู่ในฐานะเป็นพระบิดาของสัตว์ฉะนั้นพระองค์จึงไม่รักบุตรในโลกให้เท่าเทียมกันลรอกทำไมเธอพูดเค่นนั้นฮะทาไมเธอจึงบังอาจกล่าวหาพระผู้เป็นเจ้า ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเช่นนั้นเราข้าพเจ้าพูดเช่นนั้นก็เพราะเห็นความไม่เสมอภาคที่มีอยู่ทั่วโลกความไม่เสมอภาคถูกแล้วท่านก็าราบคัดใจว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นเศรษฐีข้าวบดีหรือราชามีทรัพย์มหาศาลใช้สอยถึงชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดสิบแต่บางคนกลับเป็นยาจกวนิค เลงชีพด้วยการเที่ยวคอเขากินไปวันวันบางคนมีเกียรติมียศมีอำนาจเที่ยวคมขีเบียดเบียนผู้อื่นแต่บางคนก็ไร้ยศไร้อำนาจต่ำต้อยน้อยหน้าถูกเบียดเบียนบางคนมีสุขภาพสมบูรณ์ไร้โรคข่าพาดบางคนก็เป็นรังนอนของโรคอ่อนแอเจ็บปวดตลอดกาลบางคนก็มีอายุยืนยาวนับร้อยปีแต่บางคนก็อายุสั้น เกิดมาไม่ชาก็ตับความไม่เสมอภาคความเหลี่ยมล้ําต่ําสูงความไม่ยุติธรรมหลังเป็นผลแห่งการกําหนดม่วงน้าของพระพรหมยังงั้นแหละถูกแล้วถ้าอย่างนั้นพระพรหมผู้เป็นเจ้าก็ารับบุตรในโลกไปเท่ากันน่ะสิจุลเรื